เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ปูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่สเสรียงที่รักายมไ้ยสุเลวไายครับ กระสุนออกหมดหรือยังครับหมดแล้วหมอต้องแผลเรียบร้อยแล้วอ๋อครับอย่าเพิ่งขยับนะต้องนอนให้เลือดไปอีกหน่อยเพราะคนเจ็บสีเลือดเยอะอัสเวครับถ้ารู้สึกหน้ามืดขึ้นมากระตันหันให้รีบบอกหมอเลยนะครับอย่ากัดฟันไม่พูดนะมันอันตรายถึงกับผู้ใจวายตายได้ฉับพลันครับหม อ, อ สูเวเรียบร้อยแล้วครับหมออ่าเดี๋ยวเดยวอย่าพั่งรีบร้อนลุกจากที่นอนทำไมล่ะครับเดี๋ยวจะหน้ามืดได้นอนพักสักหน่อยแล้วค่อยลุกนะผมไม่เป็นไรครับเห็นไหมหมอผมเดินให้ดูก็ได้ <c oughs> ผมปกติดีทุกอย่างครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ซูเวยนี่แข็งแรงแล้วเกินเลยนะเจ้าสูเวยมันเกิดมาเนี่ยเอ่อข้ายังไม่เคยเห็นมันเป็นไอ้ป่วยไข้อะไรเลยนะหมอนะอ๋อเหรอครับหมอแข็งแรงมากๆแบบนี้ซูเวยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะครับหมองั้นผมอปข้างนอกไปเป็นเพื่อนศิลาก่อนนะพ่อเฒ่าเออเอาสิเออนางศิลามันนั่งอยู่ตรงระเบียงนั่นแหละจ่าพ่อเท่า หมอครับคุณเทพแล้วผมเหรอฮะคุณเทพทําไมล่ะครับผมมุดที่นอนได้หรือยังอ่ะเราเป็นเสือนปวดหลังทรมานเหลือเกินอะหมอคุณยังขยับไปไหนไม่ได้นะครับอา้าวทำไมอะฮะเพราะแผลของคุณเนี่ยจะเสพได้ต้องนอน พ, พอักผ่อนอีกสักคืนหนึ่งไม่จําเป็นก็ไม่ต้องขยับไปอย่างทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้นะหมอทําไมละ่ะไปตามหมอไปในอําเภอด้วยอะคุณเทพคุณบมออย่าห้ามผมเลยยังไงผมก็ไปให้ได้พ่อคุณเทพเสียแรงที่พี่สุเวให้เลือด คนมันดื้อร้ายจะไปจากที่นี่ได้ไม่ได้รักชีวิตตัวเองเขาเสเลยคนพันเนีย้ยมีน่าช่วยชีวิตเอาไว้เลยน่าจะปล่อยให้ตายไปจะได้ไม่ต้องพลาดไม่รู้จบอย่างนี้นี่เธออีกแล้วหออทาําไมอยากจะกินเลือดกินเนื้อฉันนักเรื่งองยังไงเธอด่าฉันมาตลอดเลยนะใครด่าใครก่อนละ่ะในเมื่อคุณมองคนอื่นในแง่ลบแล้วทําไมฉันจะต้องทําดีกับคุณด้วยละ่ะทําดีแล้วไม่ได้ดีจะทําไปทาําไมคุณไม่ใช่พระเจ้าสักหน่อย เธเป็นคนใจร้ายใช่แล้วฉันนป็นใจดํำอามาหิทธ์มากๆเลยล่ะระวังตัวให้ดีเถอะอย่าอยู่ที่นี่นานแล้วล่ะเดี๋ยวจะโดนฉันวางยาพิษตายไปญาติพี่น้องก็ไม่มีวันรู้เธอคนบ้าไม่อยากเสวนาด้วยแล้วพอธนาศรราิลาจะไป ม, มีเรื่องกับคนไข้เล ย, อยพ อ, อได้ยินไหมพอเท่าได้ยินไหมผู้สาวว่ท่าจะฆ่าผมอะ่ะลูกของข้าก่อเล่นเองนั่นแหละมันเกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใคร ข้าขอเอาห่าเป็นประกันเลยว่ามันไม่มีวันทําร้ายใครได้หรอกแต่นี่พอเท่าครับตามใจพ่อหนุ่มก็แล้วกันนะข้าก็พยายามช่วยเองแล้วแต่ในเมื่อเองปริเสธที่จะอยู่พักรักษาตัวที่นี่ข้าก็รู้จะรั้งเองเอาไว้ยังไงก็เอาเป็นว่าเองอยากไปกับหมอก็เชิญเถอะถ้าหมออนุญาตให้เองไปแล้วลราก็ข้าจะไม่ห้ามเองอีกแล้วนะก็ดีเหมือนกันนะ่ะจะได้เลิกงัดพอกับลูกสาวข้าสักที ฉันไม่ไงัดข้อลูกสาวพอเท่านะก็เทอมหาเรื่องฉนก่อนตะหากแล้วเอาอะาเถอะเอาเถ อ, เเอเยังไงก็ช่างอนะข้าก็ดีใจที่เองปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเดินทางแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของเองก่อนแล้วกันนาะหมอครับผมไปได้ไหมฮะหมอยังยืนยันคําเดิมคุณยังเดินทางไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ <c oughs> ย่าว่าแต่นางรถเลยแค่ระยะสั้นๆก็ไม่สมควรแล้วเพราะบาดแผลยังไม่หายเลย ผมต้องอยู่บนดอนอีกนานแค่ไหนเนี่ยจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นขยับตัวไม่เจ็บแผลแล้วนั่นแหละคุณอยากไปไหนก็ย่อมได้แล้วละ่ะหมายความว่าตอนเนี้ผมได้อยู่ในป่าดงนี่แล้วหมอครับ <laughs> โธหมอ อ้าวสุเวหมอจะกลับแล้วหรือครับอืมอ้าวศรีลาคะหมอนี่ยาของคนเจ็บช่วยจัดยาให้กินตามฉลากยาด้วยนะได้คะ่ะอ่าหมอไปก่อนละขอบคุณมากนะครับหอที่ช่วยชีวิตหนุ่มบังกอกคนนั้นไว้ขอบคุณเหมือนกันนะคะอ้าครับเอ่าผมไปละนางศรีลาเออเจ้าพอ่อหมอไปแล้วนะจ้าต้องไปตะกี้นี่เองพ่อมีอะไรกับหมอหรือเปล่าจ้ะโอ้เปล่าเปล่าไม่มีอะไร แล้วก็ยูกยาของพอนุ่มนี่ล่ละยาะอยู่ที่ฉันจ้าพ่อหมอฉันเมื่อกี้นี่เองอืมอืมอ่ะสวยจ้ะลุงข้าขอขอบใจเองมากนะถ้าไม่ได้เองเนี่ยล่ะพนุ่มนั่นคงจะตายไปแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเจ้าลุงฉันน่ายินดีและเต็มใจไปอย่างยิ่งเลยอืมอืมอืม รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment จะเปลี b y น 期拍 คุณกําลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสีเรียงที่รักนําเสนอโดย Nation Entertainment. ให้ฉัอยู่เป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันก็จะเข้านอนแล้วอา้าวไม่อยู่ฟอกข้าวให้เขาเลยว่าทำไมจะต้องเฝ้าด้วยเล่าไม่ตายแล้วนี่เพื่อเขาอยากได้อะไรจะได้หยิบให้เขาไงไี่จําเป็นหรอกเกลียดเขาเหรอใช่เกลียดมากด้วยก็ทําไมต้องไปเกลียดเขาด้วยเล่าพี่ซูเวร์ไม่ได้ยินตอนที่เขาอ้อนว่าใส่พ่อฉันแล้วก็ใส่ฉันด้วยว่าเสียหิงสาเสียเทเสียเลยจนฉันกับพ่อเสียคนไปเลยนะ ไอเราเลือกอุตส่าห์หวังดีแท้ๆน่ะหอยมาหาว่าเราต้องการให้เขาตายทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะใช่ว่าเขาจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็เปล่าเลย <S <S 1> <S 1> เนื้อตัวก็มีแค่เสื้อผ้าชุดเดียวที่ใส่อยู่นั่นเน่ยต่อให้เขาหอบเงินสดๆเป็นล้านๆวานตรงหน้านะฉันกับพ่อก็ไม่มีวันตาร้อนเด็ดขาดเงินทองไม่สามารถเปลี่ยนใจช า, าวเขาไม่เสเรียงได้หรอกโถเอ้ย ยิ่งพวกก็ยิ่งรู้สึกเกลียดเข้ามากขึ้นไม่เอาหน้าจะเย็นๆนะสีลาเขาดูถูกพวกเราขนาดเนี้ยพี่สูเวร์อย่าไปเข้าข้างเขาอีกก็เขาเป็นคนต่างถิ่นตกทุกข์ได้ยากมาเราพอที่จะช่วยได้แล้วก็ช่วยไปตามมีตามเกิดและช่วยด้วยความเต็มใจไม่ว่าเขาจะมองเรายังไงก็ตามเธอะเขามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์มองเพราะเขาโดนปล้นจนหมดตัวก็เลยมองคนรอบข้างในแงแบร้ายไปหมด ยิ่งโดนยิงปางตายแบบนี้ด้วยถ้าเป็นเธอละ่ะศิลาหรือถ้าเป็นพี่ละ่ะเป็นพ่อละ่ะเธอคิดว่าพี่พ่อจอาราวาดเหมือนเขาไหมไม่เด็ดขาดศิลาจริงๆนะพี่สูเวเราต้องแยกแยะให้ออกสิว่าใครมาดีใครมาร้ายไม่ใช่คนมาดีมาเพื่อชีวิตเราแท้ๆ แต่กลับมองเขานีนแง่ร้ายสิอย่างนั้นน่ะมันน่าโมโหไม่ล่ะเอาเฮา น, น่าอะไรที่มองข้ามไปได้ก็มองข้ามไปเถอะอย่าคิดมากเลยคิดซะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องร่วมชาติก็แล้วกันคิดได้อย่างนั้นก็ดีอะสินี่ศีล่าหึสีลาต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะเพราะเรามีพระเจ้าในใจลืมไปแล้วเหรอคือว่ารับปากได้ไหมว่าจะไม่คิดกับเขาในแง่ร้ายอีกและจะไม่เคืองแค้นเขาพี่สุเวล่ะพี่ทําไมอ่ะ พี่สุเว ร, รับปากฉันได้ไหมล่ะซีราจะให้พี่รับปากอะไรอะ่ะพี่อยากจะใจดีมากนักสิจะไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเพราะอะไรอะ่ะอืมเ อ, า, อางี้แล้วกันซีราก็ต้องรับปากด้วยนะจ้ะแต่ว่าฉันรับปากแล้วพี่ก็ต้องรับปากฉันด้วยนะจ้ะ ฉันรับปากก็ได้ว่าต่อบปีเนียฉันจะไม่เคืองเขาแล้วก็ไม่มองเขานี่แง่ร้ายแต่ถ้าเขาขึ้นเสียงกับฉันฉันก็ขึ้นเสียงเหมือนกันนะแต่จะไม่ได้ผูกใจเจ็บรู้อาฆาตเขาหรอกอาจจะหมั่นไส้แล้วก็แกล้งให้เจ็บๆคันๆไปอย่างนั้นเองได้ไหมละ่ะได้แต่อย่าทําให้เขาอึดอัดใจก็แล้วกันเราเป็นก็เจ้าบ้านเราก็ควรต้อนรับขับสู้เขาให้เขารู้สึกประทับใจจากไปเขาก็ยังคิดถึงเรา แล้วก็อาจจะกลับมาเยี่ยมเย็ยนเราได้จ้ะขอบใจมากนะไปนอนได้หรือยังล่ะไปซิพี่สุเวร์เลยจ้าเออพี่จโรงไปข้างล่างคุยกับเขาหน่อยแล้วก็จะเข้านอนเหมือนกันจ้ะถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาย้ายเขากินก่อนแล้วก็จะเข้านอนเลยนะจ๊ะพี่จ้ กินยาก่อนนอนกินยาอีกแล้วเหรออ้าวพูดจริงกับว่าตัวเองกินยาแล้วอย่างนั้นแหละก็หมอฉีดยาให้แล้วนี่นาก็นั้นมันยาฉีดแต่นี่คุณต้องกินยาแก้ปวดด้วยเกิดกลางดึกคุณปวดเข้ามาอย่ามาร้องอดครวญให้คนดูแลก็แล้วกันเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงหมอไม่มีพยาบาลคอยดูแลปรนนิบัติตลอดเวลาหรอกนะก็ได้ก็ไ้ก็ได้เยอะไหมมีสามเม็ดยาอะไรมากเหรอมียาแก้ปวดแล้วนี่ก็ยาสั่งให้หลับ แล้วนี่ก็ยาระนับความบ้านี่เธอจ้องหน้าทาํามกินยาสิอันนี่น้ำคนใจร้ายเรียบร้อยใช่มะเรียบร้อยนะอันนี้ขันน้ำเนี่ยฉันวางไว้ข้า ง, างตัวนะเกิดกลางดึกหิวขึ้นมาจะได้ยกดื่มเองขอบใจอือเดี๋ยวสิเธอมีอะไรอีกอ่ะเธอจะไปไหนอ้าวก็จะไปนอนสิ ยู่งกับคุณตั้งแต่หัวค่ำยัไม่ได้พักผ่อนเลยนะเชื่อกโทษแล้วกันขอโทษอะล่ะก็ขอโท ษ, ขอขอโ ท, ษที่ทำให้เธอเหนื่อยอย่างงั้นล่ะไม่จำเป็นหรอกฉันขอแค่คุณเนี่ยไม่มานอนตายบนบ้านฉันแล้วก็กลายเป็นผีบ้าผีบออารวาดพวกเราก็พอใจแล้วล่ะโเอเถอะ